ชีวิตคนเนี่ยมันก็ดูเหมือนมีอะไรเยอะแยะนะเดี๋ยวต้องมีงานอันนั้นงานอันนี้ต้องเกี่ยวเนื่องกับคนนั้นคนนี้อันนี้ก็เร่งอันนู้นก็รีบเหนื่อยแล้วก็ต้องหาเวลาพักพักได้หน่อยหนึ่งก็ต้องกลับไป ทำภารกิจงานต่อไปมันก็เลยเหมือนกับว่าเรามีชีวิตที่มันดูมีอะไรเยอะแยะอยู่ในชีวิตของเราถ้าจะบอกว่ามันเยอะก็คือเยอะแต่ถ้าจะบอกว่ามันน้อยมันก็มีแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ถ้าเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกชีวิตมันก็มีกับลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่ถ้าใจเราหลุดออกจากลมหายใจวิ่งไปตามความคิดวิ่งไปตามสิ่งที่เห็นมันก็จะมีเรื่องเยอะแยะ ในชีวิตของเราแต่พูดอย่างนี้แล้วบางทีก็อาจจะทำให้คิดได้ว่าคนเรามันต้องหาอยู่หากินต้องใช้ชีวิตมันก็ต้องมีเรื่องเยอะแยะสิเราจะมาเอาแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่อย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะถ้าไม่นั่นก็ไม่มีอะไรจะกินเหมือนกัน มันถูกครึ่งเดียวไรสิ่งที่เรากำลังบอกว่าชีวิตมันมีอะไรเยอะแยะเพราะเราต้องทำมาหาเลี้ยงชีพหาปัจจัย4อันนั้นเขาเรียกว่าการงานภายนอกแต่ถ้าเราคำนึงถึงเฉพาะแต่งานภายนอก ก็คือชื่อว่าเราได้ของมีค่ามาแบบเสียเปล่าเหมือนลิงได้แก้วนะลิงได้ปลอยคือมันมีเป็นของมีค่านะแต่แต่ลิงมันไม่เห็นคุณคุณค่าของของเพชรปลอยลเขาก็เปรียบเทียบอะไรนั่นแหละเมือนเราเนี่ยเราได้อัตภาพ ของการเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงเอาไว้ว่ามันไม่ได้มาง่ายๆแต่ตอนได้มาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับมันง่ายไงมันเหมือนกับคนที่มีเงินพันล้านหมื่นล้านถ้าไปเทียบกับคนหาเช้ากินค้ามมีม หนี้สินท่วมตัวมีหนี้นอกระบบคอยตามทวงอย่าไปพูดถึงเงินพันเงินเงินหลักพันหลักหมื่นะ่ะใช่หลักร้อยนี่ขอให้มันมีเถอะเขาจะได้ไปซื้อข้าวกินไปนั้นกว่าจะได้เงินมาหลักพันหรือหลักหมื่นเนี่ยบางทีมันฝันเกินฝันเกินเอื้อมเหมือนกันนะ ไม่รู้จะทำยังไงให้มันได้ได้มาแล้วก็ไม่ใช่เงินของเรากลายเป็นว่าต้องรีบเอาไปใช้หนี้ด้วยแต่คนที่มันมีเหลือเฟือเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอะไรอะไรมันก็ง่ายไปหมดเพราะว่าได้มาแล้วอยู่ในสถานะที่มันมีแล้วไม่ต้องลำบากมันก็เหมือนกับว่าอะไรอะไรมันก็ง่าย แต่พอคนไม่มีเนี่ยมันยากนะยากไปหมดหละเพราะฉะนั้นการที่จะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยเราได้มาแล้วอย่างทเทวดาเนี่ยเวลาเขาจะหมดบุญเนี่ยเขาก็อยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ขาก็อวยพรกันนะว่าก็ให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าจะได้สั่งสมบุญแล้วก็ได้กลับไปเกิดใน เทวโลกอีกหรือไม่ก็กลับไปเกิดบนพรหมโลกแต่มันก็ไม่ได้ง่ายมันไม่ได้กําหนดได้ที่เราจะชีว้ว่าเราจะไปไหนสิ่งที่มันจะคอยกําหนดก็คือบุญและบาตรกรรมนั่นแหละเป็นตัวกําหนดมีกรรมเท่านั้นแหละที่จะเป็นสิ่งชักนําไปให้เราไปเกิดในที่ที่ดี คติที่ดีหรือให้เราไปเกิดในที่ที่ไม่ดีเป็นคติที่ไม่ดีมีทุกข์มากมีสุขน้อยท่านก็เปรียบเทียบไว้ว่าเวลาที่คนส่วนมากเวลาตายไปเนี่ยสัดส่วนของคนที่ไปเกิดในสุขคติเนี่ยเทียบกับคนที่ไปเกิดในทุกขติ คนที่ไปเกิดสุคติเนี่ยเปรียบได้เหมือนเขาโคแล้วคนที่ไปทุคติก็เปรียบได้เหมือนกับคนโคนะคือพูดง่ายๆจะท่านเปรียบที่ยบไปเห็นสัดส่วนนั่นแหละเพราะโคตัวหนึ่งเนี่ยมีขนไม่รู้เท่าไหร่รู้ขุมขนมันนะแต่มันมีแค่2เขาถึงจะพิกลพิการมีเขาแยกออกมาหน่อยเป็นสามเขามันก็น้อยอยู่ดีอะ อันนี้ก็เป็นอุปมาอุปไมยที่ท่านเปรียบเอาไว้ว่าการเกิดเป็นคนการที่จะไปสุคติเนี่ยสุคติมีอะไรมีมนุษย์มีเทวดามีพรหมอันนี้ไปยากตายไปแล้วจากมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายไปง่ายแต่ไปเทวดาไปพรหม อยากอย่างเทวดาก็เหมือนกันเวลาที่หมดบุญแล้วเนี่ยจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือจะกลับไปเกิดในอัตภาพของเทวดาหรือพรมเนี่ยก็ยากแต่ไปเป็นสัตว์เทาชานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเหล่านี้นี่ง่ายพูดง่ายลงล่างเนี่ยมันง่ายแต่ขึ้นบนเนี่ยมันยาก เพราะฉะนั้นเราได้สิ่งที่ได้มาได้โดยยากมาแล้วถึงแม้ใจเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันไดมายากยากก็ตามแต่พระพุทธองค์ก็แสดงเอาไว้ว่ามันยากนะเพราะฉะนั้นเราได้ของที่มันมีค่าที่ได้มาได้โดยยากแล้วเนี่ยก็อย่าให้มันเสียเปล่า อย่าให้เวลาที่เรามีในอัตภาพนี้ที่มันมีจำกัดอย่าให้มันเสียเปล่าไปอย่าให้มันเสียเปล่าไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่โดยถ่ายเดียวนะโดยที่ไม่ได้นำมันมาฝึกใจเลยประวัยเรื่องปัจจัยสี่เรื่องหาอยู่หากินเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องภายนอกไม่ว่าแต่มนุษย์แหละ พวกสัตว์ต่างๆเขาก็ต้องการปัจจัยสีเหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต่างจากภูมิของของสัตว์อื่นนะสัตว์อื่นนี่หมายถึงว่าสัตว์ที่ระชาสัตว์นรกเปรตอสุรกายเหล่านั้นเราได้อัตภาพที่สามารถที่จะอยู่ในภูมิที่สั่งสมบุญ สั่งสมบุญก็ได้ถ้าคิดจะสั่งสมบาปก็ทำได้อยู่ในภูมิที่เลือกได้แล้วก็เป็นภูมิมนุษย์ที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงเวลาที่เวลาทำบุญก็มีเนื้อนาบุญให้ทำอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไปเกิดในสมัยที่ไม่มีคำสอน ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีศาสนาทำบุญก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่มีเนื้อดาบุญพอไม่มีเนื้อดาบุญเนี่ยทำบุญมากแต่ก็ได้ผลน้อยแต่พอเราอยู่ในยุคที่มันมีเนื้อดาบุญเราทำบุญแต่น้อยก็สามารถที่จะได้ผลมาก ถึงแม้ว่ามันจะไปให้มันสุดปลายทางไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่เท่ากันก็จริงมันอาจจะไปไม่ได้ทุกคนก็จริงแต่ถ้าเราตั้งเป้าไว้มันต้องไปได้ไกลแน่นอนแต่ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ปรารถนาถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ยังได้สั่งสมบุญ มีบุญเป็นสเปียงเอาไว้ตุนเอาไว้ให้มากๆเราอยู่ในยุคที่มีคําสอนมีผู้ปฏิบัติตามคําสอนผู้ง่ายๆคือ ม, ผอมีผู้ที่รักษาศีลเป็นพื้นก็มีผู้ที่รักษาศีลเป็นพื้นแล้วก็รู้จักที่จะทําความสงบใจก็มีผู้ที่มีศีลบริบูรณ์ มีความสงบใจแล้วก็มีอุบายที่จะขัดเกลาวจิตใจให้รู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่รู้เห็นไปตามแต่สมมติโดยถ่ายเดียวเข้าใจถึงธรรมชาติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดา ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาทิ่งแท้สิ่งต่างๆที่เรากำลังแสวงหาอยู่มันก็เอาไปได้เฉพาะบุญกระบากะหลังจากที่เราตายไปทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องคนรักหรือว่าเครื่องใช้ไม้สอยที่เรามีความชอบใจพอใจ ตายไปแล้วนี่เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งสิ่งที่มันจะติดไปกับเราก็คือบุญกับบาปแล้วก็ความรู้ความรู้ ค, คือความรู้ที่มันฝึกฝึกจนเป็นนิสัยของใจอันนั้นมันก็จะติดไปได้ซึ่งเราก็จะเห็นนั่นแหละว่าต้นทุนของแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกัน ยิ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าคนที่รู้ได้เร็วก็มีคนรู้ได้ช้าก็มีอย่างคนงรู้ได้เร็วเนี่ยเขาก็มีต้นทุนของเก่ามาดีอย่างท่านพระพายะเนี่ยฟังธรรมยังไม่ครบบาทดีเลยก็บรรลุธรรมละ แต่พอมองย้อนกลับไปในอดีตที่เคยสเสวยชาติเก่าๆมาก็าจะเห็นได้ว่าโอ้ยท่านก็เร่งตั้งหน้าปฏิบัติรมเอาเป็นเอาตายมาก่อนเพราะฉะนั syntax. ้นไอสิ่งที่มันติดมาด้วยคือความรู้อันเก่าที่มันติดเป็นนิสัยอยู่ในจิตใจมันก็เป็นเครื่องหนุนเน่ะพอได้ปลดล็อกอีกนิดหน่อย มันก็ไปได้เร็วแต่ถึงแม้ว่าต้นทุนของของเรามันจะต่างกันไม่เท่ากันก็อเอามาเป็นประมาณไม่ได้แหละถ้าเราเอ า, ม, ามันมาเป็นประมาณเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องมือให้กิเลสสมักให้เราคิดไปส่วนมากมันจะไม่ได้สร้างเสริมกาลังใจให้ปฏิบัติธรรมแหละส่วนมากมันก็จะมาคอยกดท่วงจิตใจของเรา ให้เราน้อยเนื้อต่าใจเทียบเคียงคนนั้นเทียบเคียงคนนี้เราก็บนน้อยวาสนาน้อยพอกดหู่อย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็คลายความเพียรลงไปแต่คนที่เขาต้นทุนมาดีเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเส้นทางที่เขาเดินน่เขาก็ย่ามาจากวาสนาน้อยๆเหมือนกันนแหละ เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องของใครของมันถ้าเราจะเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครว่าเรามีวาสนาน้อยก็มีวาสนามากอันนี้ไม่ถูกอันนี้มันเป็นมุมมองที่กิเลสมันจะชักจูงของเราชักจูงเราไปให้เราคิดให้เราหลงเดินไปในทางที่จะทําให้เราปลีกออกจาก ทางของความเพียรแต่ถ้าเราพิจารณาแบบทรมีทมนำใจเนี่ยเวลาที่เราจะเทียบเคียงเราไม่เทียบเคียงกับใครล่ะเราก็เทียบเคียงกับข้อประพฤติปฏิบัติใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จะมีมรรคแปดอริยมรรคมีองค์แปดเป็นเครื่องเทียบเคียงเพราะว่า อริยมรรคมีองแปะก็คือทางเดินใช่ไหมทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกถ้าเราเทียบเคียงทางเดินของเรากับทางเดินที่จะต้องเดินก้าวไปอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นเราจะได้รู้ว่าเราเดินถูกทางไหมเดินออกนอกทางหรือเปล่าหรือว่าออกไปแล้วเนี่ยออกไปไกลไหมแล้วยังไงถึงจะแวะ เลี้ยวกลับเข้ามาในทางได้อันนี้เป็นเรื่องจะเป็นสำหรับบุคคลผู้ใฝ่าหาความพ้นทุกมีที่สุดแห่งทุกเป็นเป้าหมายก็อยากจีช่เห็นว่ากิเลสมันก็มีเล่ห์เหลี่ยมหลายอย่างหลายแนวที่จะทำให้เราเนี่ย หลงเพลินออกไปนอกทางอย่างในช่วงที่จะต้องอยู่บ้านกันแบบนี้แต่ตอนนี้รัฐบาลก็เริ่มที่จะผ่อนคลายใช่ไหมให้เราได้กลับไปใช้ชีวิตกึ่งๆปกติแบบเก่าได้บ้างแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปอีกสักหน่อยหนึ่งในช่วงที่รัฐบาลเข้มๆพยายามให้ คนไม่คลุกคลีกันให้อยู่แต่ในบ้านเพื่อที่จะจำกัดไม่ให้เชื้อโรคมันไปติดคนนั้นติดคนนี้แพร่กระจายไปก็พยายามจะควบคุมโรคเพราะฉะนั้นหลายๆมาตรการที่มันมีก็คืออันหนึ่งก็เกี่ยวกับสุขอนามัยที่เราจะต้องพยายามทำความสะอาดให้ดีล้างมือบ่อย เวลาจะจับอะไรตรงหน้าตรงตาก็พยายามให้มันเป็นมือสะอาดเวลาจะไอยะจามก็อย่าไปไอจามใส่ใครเอาแมาสปิดไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีชุดพิธีกรรมใหม่ๆ ใ, ใช่ไหมแต่มันก็เป็นที่น่าสังเกตอีกหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าเวลาที่คนเราไม่ได้ออกไปข้าง น, นอกไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ข้าง น, นอก ใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านมากขึ้นกลับกลายเป็นว่าเรามีเวลามากขึ้นแต่เราใช้เวลาไปกับธรรมะลดลงเหมือนกันนะเคยเห็นได้จากยอดคนที่ฟังธรรมนะไม่ใช่แต่เฉพาะซันดี้คอสแต่รายการของท่านอือ่นๆก็เป็นเหมือนกันก็จะเห็นได้ว่า คนฟังลดลงจํานวนการฟังลดลงมันก็เลยทำให้คิดไปได้ว่าเอ๊ะเรามีเวลามากขึ้นแต่เราใช้เวลาไปในเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องของการดูแลจิตใจเนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือว่าจากแต่ก่อน มีเวลาที่มันก็24ชั่วโมงเท่ากันน่แต่สัดส่วนคนเลือกใช้เวลาที่จะมาฟังธรรมถ้าเทียบกับช่วงนี้ก็เยอะแต่พอเรามีเวลาเยอะอยู่กับบ้านมากขึ้นกับกลายเป็นว่าเราใช้เวลาที่จะอยู่กับธรรมะลดลงสัดส่วนลดลงมันก็เป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันว่าการที่เรามีเวลามากขึ้นเนี่ย มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาเวลาที่มีมากขึ้นนะ่มาใช้ประโยชน์ให้ม า, มากขึ้นนะแต่มันก็พอที่จะเข้าใจได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ปกติคนก็อาจจะต้องเสพข่าวสารมากขึ้นแล้วก็เอาเวลาไปปรับตัวให้มันเข้ากับพฤติกรรมจําเป็นใหม่ๆมากขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเราจะเอามาเป็นข้ออ้างมันก็ไม่ถูกอะ่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกับโรคนั่นแหละเออโรคนี้มันก็ไม่มีเราจะบอกว่าเห้เราเป็นคนแก่นะอย่ามายุ่งกับเราไปหาคนแข็งแรงนู่นมันก็ไม่เลือกหน้าเหมือนกันไม่ได้เลือกว่าอยู่ประเทศไหนชนชาติอะไรโรคอันนี้มันก็ไม่เลือกเหมือนกัน กิเลสมันก็ไม่เลือกเหมือนกันว่าคุณจะอยู่ในสถานะปกติหรือว่าอยู่ในสถานะที่จะพร้อมสู้กับมันหรือว่าอยู่ในสถานะที่อ่อนแอมันพร้อมที่จะขย่ำให้ได้อย่างเต็มที่มันก็ไม่เลือกมันก็จัดหนักตลอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นการใช้เวลาของเราเนี่ยก็จึงเป็นเรื่องที่ต้องคอยเทียบเคียงอ่ะ ว่าไอ้วิธีการใช้วิธีดาเนินชีวิตที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีเวลามากขึ้นในลักษณะว่าเราอยู่บ้านไม่ต้องเดินทางไปไหนเราก็มีเวลามากขึ้นแต่เราใช้เวลาของเราเนี่ยให้มันถูกตรงถูกต้องให้มันคู่ขนานไปกับอริยมรรคมีองค์8ไใหม่ซึ่งถ้ามัน เดินไปบนเส้นทางอาริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันมันจะต้องปลอดภัยแต่ถ้ามันหลุดออกจากอาริยมรรคมีองค์8มันก็มีอยู่สองเส้นนั่นแหละเส้นหนึ่งก็คือว่าการมัศุขัลิกานนโยคคือการประกอบตนให้มัวเมาความสุขในกามทั้งหลาย อย่างรัฐบาลนี่เขาก็บอกว่าอยู่บ้านมากขึ้นเอางั้นให้บริษัทมือถือเนี่ยเพิ่มอินเทอร์เน็ตให้เลยเอาไว้อะไรเอาไว้ไปท่องโลกอินเทอร์เน็ตจะได้ไม่เครียดไปหาสิ่งบันเทิงจะได้ไม่เครียดแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องไม่ต้องทำตามคําแนะนำขนาดนั้นก็ได้ใช่ล่ะ เรามีเวลามากขึ้นเราก็เอาเวลามาใช้ในการฝึกหัดปฏิบัติ จ, จิตใจมากขึ้นมันก็ได้นี่ไม่จําเป็นต้องใช้เวลาให้มันเพลินไปกับกรรมเพื่อที่จะหลอกล่อจิตใ จ, จให้ไม่เครียดให้เพลินกับความสุขในกามแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ทรงแสดงไว้อยู่แล้วว่ากามมันมีคุณก็จริงแต่มันก็มีโทษนะแล้วโทษของมันก็ร้ายแรง ยิงเสพก็ยิ่งหิวยิ่งเสพก็ยิงร้อนรนพอมันหิวมันก็ร้อนรนอ่ะต้องการที่จะเสพมากขึ้นแล้วเสพในโดสที่เท่าเดิมก็ไม่ได้เสพแบบเดิมนานๆก็เบื่อก็ต้องไปหาเสพใหม่ๆที่มันละเอียดประณีตมากขึ้นแล้วพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันตอบสนองไม่ได้ทุกครั้งละ แต่ถ้าคนที่เห็นภัยเห็นโทษของวัตตะอันนี้มันก็จะได้เอาเวลาที่มีมาไว้ฝึกหัดเพิ่มศักยภาพให้กับจิตใจที่จะไว้ต่อสู้กับกิเลสทำให้เรามีความตั้งมั่นของจิตใจไม่หวั่นไหวไปในอารมณ์ไหนๆดีขึ้นทำให้เรามีความรู้มีความเข้าใจในธรรมชาติของสมมติ ดีขึ้นซึ่งถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เห็นถึงเวลาที่มันใช้จ่ายไปทุกวันทุกวันมันทำให้เรามีความคิดเรามีความรู้สึกในใจว่าเวลาของเรามันมีเหลือเฟือแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ เวลาของเราเนี่ยมันมีจำกัดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็กำหนดไม่ได้ด้วยว่าจะมันเต็มโคตาเหลือเวลาแบบเต็มโคต้าหนึ่งจากจากที่เซตเอาไว้100ปีหรือเปล่าเพราะว่าบางคนตายตั้งแต่แต่เล็กๆก็มีบางคนตายในวัยกลางคนก็มี ก็มีสมถืดเลยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะแก่ตายกันหมดเป็นโรคตายเป็นอุบัติเหตุตายโอ้มีสารพัดแต่ถ้าความตายมาเยือนณนะวันไหนมันขึ้นว่าจบเลยนะจบแล้วกับการใช้เวลาของเรา พอมันมาเยือนปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่าสั่งเช็คบินแล้วสั่งฝ่ายบัญชีประมวลประมวลผลแล้วว่าไรายได้มีเท่าไหร่รายจ่ายมีเท่าไหร่กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่เสียกาไรขาดทุนมันก็คือถ้าเรามีกำไรก็คือมีบุญนี่แหละมีบุญมากแต่ถ้าเราขาดทุนก็คือมีบาปมากมากกว่า พอ ม, มีบาปมากนี่มันก็นู่นเลยทุกติแต่ถ้าเรามีบุญมากมันก็ชักนำให้เราไปสุขติมีมนุษย์มีเทวดาเทวโลกแล้วก็มีพระมโลกแต่แน่นอนแหละที่กิเลสนี่มันจะจัดเราหนักๆก็คือว่า เริ่มจากปิดบังปิดบังใจคนเราซสียก่อนอันนี้คือตัวเก่งมันเลยนะปิดบังจิตใจเอาไว้ไม่ให้จิตใจของเราเนี่ยได้เห็นเล่ห์เหลี่ยมของมันไม่ให้เห็นถึงความจริงไม่ได้เห็นภัยในวัตฏานี้ให้มันเห็นแต่อะไรให้มันเห็นแต่ความเพลิดเพลินในกามทั้งหลาย ความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็จะปิดบังใจให้เราไม่เห็นโทษไม่ได้เห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปิดบังไม่พอทำให้เราเข้าใจผิดไปด้วยเห็นว่าของไม่ดีเป็นของดีเห็นของดีหรือเปล่าก็ไม่เห็นด้วยนะบางทีนีนะ หรือเห็นแต่ใจไม่เห็นตาเห็นแต่ใจไม่เห็นตาเห็นใจไม่เห็นเป็นยังไงก็เหมือนกับว่าเรารู้แหละว่ามีการแสดงธรรมมีการปฏิบัติธรรมเรารู้เราเห็นแต่เราไม่สนใจเราเอาเวลาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้เห็นคุณค่าก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปนั่นแหละ ที่เราเห็นนะโดยมากนะโดยมากไม่ใช่ไวรุณทุกคนนะหรือว่าโดยทั่วไปนั่นแหละคนที่ยงมีความยินดีเพลิดเพลินในกามทั้งหลายเนี่ยส่วนมาก ก, ก็จะเอาเวลาไปใช้กับแบบนั้นแหละพอจะเห็นถึงข่าวสารของการแสดงธรรมข่าวสารของการเปิดเผยความจริงความจริงของโลกใบนี้ความจริงของสมมุติความจริงของ สมมุติว่ามันมีโทษยังไรแล้วเราจะออกจากสมมุติออกจากวัตฏานี้ยังไงมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเขาก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจเพราะว่ามันบังใจของเราไว้ให้เราไม่เห็นคุณค่าแล้วก็ให้เราไม่เห็นโทษของกามมันก็จึงทําให้ใจเนี่ยมันไม่พ้องไปกับสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ยิน ตามตักกะมันก็รู้อยู่ว่าดีรู้อยู่ว่าจำเป็นแต่เพราะความไม่รู้มันครอบงำปิดบังใจเอาไว้มันก็ทำให้เราเนี่ยเลือกที่จะเลือกความสุขในกามก่อนเพราะฉะนั้นคนในโลกคนบนโลกมันก็จะไปยากนะไปยากเพราะฉะนั้นคนที่มัน ไปในทางอริยมรรคมีองแปดได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วคนที่เห็นดีเห็นงามกับทางที่เรียกว่าอริยมรรคมีองแปดเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเปิดทีวีดูเนี่ยเห็นเลยว่ามันจะไม่เจอเลยแหละแทบจะไม่เจอเลยแหละถ้าจะไม่เจอคนที่มาบอกว่าเออ เราอยู่บนโลกของสมมุติโลกของการปรุงแต่งเป็นโลกที่เวลาเราตายไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสาระเกี่นสารอะไรแต่พอเราเปิดทีวีดูเนี่ยทุกอย่างมันเป็นจริงเป็นจังไปหมดมันเป็นจริงเป็นจังไปหมดมันไม่มีมันแทบจะไม่มีข่าวสารที่ทำให้สะกิดใจค น, นว่า มันไม่ใช่นะมันมีสาระเกลียนสารอยู่แต่มันไม่ได้มีสาระเกลียนสารตายตัวเจี่ยงแท้แน่นอนนะสิ่งสำคัญก็คือเรามีหน้าที่สองสองอย่างอะอย่างหนึ่งก็หายอยู่หากินน่ยแต่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็มีหน้าที่ที่จะต้อง นำพาจิตใจดวงนี้เนี่ยให้มันไปสู่ทางที่มันจะเจริญขึ้นเพราะว่าสุขทุกข์เนี่ยใจมันเป็นใหญ่ใจเป็นสำคัญแต่มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าอีกแล้วแหละที่ว่าคนโดยมากถึงแม้ว่าจะอยู่บนประเทศที่เรียกว่าเป็นเมืองพุทธแบบนี้แต่คนโดยมากก็ไม่ค่อยเห็น ไม่ค่อยรู้สึกว่าสุขทุกข์เป็นเรื่องของใจส่วนมากเลยเนี่ยก็จะมีความเห็นว่าสุขทุกข์มันก็เป็นเรื่องของร่างกายเนี่แหละมันก็ทําให้เห็นว่าโอ้ยมันไม่ง่ายอะที่คนเราหรือหมู่สัตว์เนี่ยจะมาเห็นถึงความสำคัญของจิตใจ สุขทุกข์ทางด้านจิตใจแล้วก็จะมาพัฒนาให้มันมีความทุกข์ในใจลดลงพัฒนาให้เราไปถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ไม่ต้องกลับมาทุกข์ที่ใจอีกพอเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เรียกว่าสลดสังเวชนะว่ามันเสียได้โอกาสที่เราได้อัตภาพที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาผิดนะ แต่มัน ก, ก็เรียกว่าถ้าผิดก็ผิดที่กิเลสนี่นแหละกิเลสมันก็บังใจคนเอาไว้ไม่ให้คนมีใจที่จะมารู้มาเห็นเพราะนั้นจะน้าคิดแคนก็ไม่ได้คิดแค้นใครลรอก็ค่คิดแค้นกิเลสนี่นแหละมันก็เป็นตัวที่คอยทำให้พลาดของดีพลาดโอกาสดีด ส่วนคนที่เคยได้เห็นได้รู้รู้จักทางมันก็พยายามจะทำให้ตกทางอะ่ะเหมือนเราอยู่บนรางรถไฟที่มันกาลังจะแล่นไปสู่จุดหมายเนี่ยมันก็พยายามให้รถไฟมันตกรางบ้างหรือไม่ก็พยายามให้จอดนานๆบ้างมันก็น่าเค็ดแครนกิเลสแบบนี้นะแล้วถ้าเราจอดนานๆเนี่ย าเกิดตายขึ้นมานี่โอ้ยจบข่าวเลยเราจะไปเกิดในยุคที่มีศาสนาอีกหรือเปล่ามันกำหนดไม่ได้นะกำหนดไม่ได้เลยก็ถึงบอกว่าสิ่งที่ได้โดยยากเนี่ยก็คือการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์การที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ง่ายนะ ก็จะได้สิ่งยากๆเหล่านี้เนี่ยมาครบถ้วนเนี่ยไม่ง่ายเลยอย่างคนเกิดในยุคสมัยนี้เนี่ยไปเกิดในประเทศที่เขาไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับศาสนาพุทธไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นพวกคนเหล่านี้ก็จะไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนที่แสดงแจกแจงสภาวะต่างๆตามความเป็นจริงเอาไว้ ก็จะได้ยินได้ฟังแต่คาสอนคำบอกกล่าวที่เป็นไปนในทางสมมุติน่แหละใครรู้จักสมมุติยังไงก็แสดงแบบนั้นเหมือนอย่างมีอยู่ยุคหนึ่งที่เขาตกเถียงกันนะว่าอะไรเป็นมงคลอะไรเป็นมงคลคนนั้นก็ว่าอย่างนี้คนนี้นก็ว่าอย่างนั้นเถียงกันไปอยู่ต้องเป็นสิ บ, ส, บสิบปีสิบกว่าปี จนสุดท้ายต้องไปตัดสินกันที่พระพุทธเจ้าเป็นคนตัดสินให้ว่าอะไรเป็นมงคลพระพุทธเจ้าแสดงว่าอะไรบ้างเป็นมงคลทุกคนก็จบได้เพราะว่าตามตักกะตามเรื่องราวความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครค้านสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดง ทุกคนก็เห็นดีเห็นงามเห็นถึงความถูกต้องในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วก็ได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่ต่างคนต่างดุนเดาเกาหมัดคิดกันไปว่าอะไรเป็นมงคลเนี่ยมันไม่ใช่มงคลแท้มงคลก็คือเจริญนั่นแหละแต่ถ้าเกิดสิ่งที่พระ พ, พุทธเจ้าตรัสเอาไว้เนี่ยมันเจริญจริงถ้าทําได้ เราอยู่ในยุคในสมัยที่มีศาสนามีคำสอนมีคนประพฤติปฏิบัติตามคำสอนที่ดีก็ถือว่าโชคดีเราก็าอย่าพยายามใช้เวลาที่ที่มันมีจํากัดไปในแบบที่มันสุรุ่ยสุร่ายใช้อย่างคนที่เขาเรียกว่ามัวเมาประมาทประมาทในวัย เพราะจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าใครมันจะตายตอนไหนคนตายต้นเด็กก็มีเยอะแยะแต่ถ้าเกิดว่าความตายมันจะไม่มีปัญหากับเราเลยนะถ้าถ้าเรารู้ว่าเราจบภารกิจแล้วเนี่ยกับวันที่ครูบาอาจารย์หรือแม้แต่ต้นต่อของเราก็คืออะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยความตายไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องน่ากลัว เพราะว่ารู้แล้วว่าความตายนี้เป็นการตายครั้งสุดท้ายไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแต่คนที่ไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้ฟังคาสอนก็กลัวความตายแต่ไม่กลัวการเกิดโดยซ้าชอบที่จะเกิดแต่เหล่านักปราชญ์เนี่ยเขาเขากลัวการเกิดมากกว่ากลัวการตาย เราเกิดมามันก็มาเริ่มหลบใหม่อ่ะหลบของความทุกข์เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตายก็อย่าทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันไหลออกไปไหลออกไปมีเรื่องเยอะแยะให้มันได้ย้อนกลับมาที่ลมหายใจมีเรื่องน้อยๆบ้างมาอยู่ที่ลมหายใจมาอยู่ที่พุทโธมีพระพุทธเจ้าเป็นหลักใจ มีพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องระลึกของใจชีวิตของเรามันไม่ต้องการอะไรมากะอะมันน้อยๆ อ, อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าน้อยแต่มันน้อยอย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าให้มันเยอะถ้ามันเยอะก็ต้องรู้จักเอาออกเอาออกแล้วเราจะได้เป็นคนที่ไม่หนักเพราะว่าเราไม่มีอะไรผลาญพรั ง, รงเราไม่เยอะเรามีของจําเป็น อยู่ไม่มากคล่องตัว ม, มีลมหายใจที่มันเป็นเครื่องแสดงว่าเรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีโอกาสอยู่เรามีพระพุทธเจ้าในใจที่เราจะได้แน่ใจแล้วก็เป็นเครื่องฝากใจเอาไว้ว่าเราจะดํารงอยู่บนเส้นทางของความดี ให้ชีวิตเรามันน้อยน้อยอย่างมีคุณค่าน้อยอย่างมีคุณภาพที่ลมหายใจกับพุทโธ